วันนี้จะพูดเรื่องจิตใจจิตใจของพระพุทธเจ้าจิตใจของพระอรหันต์กับจิตใจของปุถุชนเป็นจิตใจเหมือนกันคือเป็นผู้รู้ผู้คิดเหมือนกันต่างกันตรงที่จิตใจของพระพุทธเจ้าของพระอรหันต์ เป็นจิตใจที่ได้รับการชำระทำความสะอาดจนเป็นจิตใจที่บริสุทธิ์ผุดผ่องเต็มไปด้วยความสุขปราศจากความทุกข์ส่วนจิตใจของผุ้ตชนอย่างพวกเราเป็นจิตใจที่ยังไม่ได้รับการชำระยังไม่ได้รับการทำความสะอาด จึงมีความเศร้าหมองครอบงำจิตใจทําให้จิตใจมีความทุกข์ความวุ่นวายใจต่างๆถ้าเปรียบเทียบก็เหมือนกับเพชรจิตใจของพระพุทธเจ้าพระอรหันต์นี่ก็เป็นเหมือนเพชรที่ขายในร้านขายเพชรเห็นแล้วก็อยากจะได้ ราคาก็แพงมีคุณค่ามีราคามากเพราะมีความสวยงามมากแต่จิตใจของปุทุชนนี่ก็เป็นเหมือนเพชรที่เพิ่งขุดขึ้นมาจากดินยังไม่ได้รับทําการชาระซักฟอกทำความสะอาดยังไม่ได้เจรนายนั่นเองยังดูเป็นเหมือนก้อนหินที่ไม่มีคุณค่าราคา แต่ถ้าได้เอาไปชำระเอาไปทำความสะอาดเอาสิ่งคราบสกรปรกที่หุ้มห่อเพชรนั้นให้ออกไปแล้วนำเอาไปเจรานายไปขัดให้หมันเงาเป็นงามขึ้นมาเพชรเม็ด น, นั้นก็จะกลายเป็นเพชรเพชน้ำหนึ่งไปเป็นเพชรที่มีคุณค่าราคาที่สามารถนำเอาไปขาย ในร้านขายเพชรได้นี่แหละคือจิตใจของพระพุทธเจ้าของพระอาหารหันต์กับจิตใจปุถุชนนี้ต่างกันแค่ตรงนี้เอแล้วจิตใจปุถุชนทุกดวงก็มีสิทธิ์ที่จะทําให้เป็นจิตใจของพระพุทธเจ้าของพระอาหารหันต์ได้ถ้านําเมาไปชําระสักพอก เอาไปทำความสะอาดเอาไปเจรไนไปขัดมันขัดให้สวยให้งามขึ้นมาก็จะกลายเป็นเพชรน้ำหนึ่งขึ้นมาพระอรหันต์พระพุทธเจ้านี่ก็มาจากปุถุชนทั้งนั้นไม่ได้มาจากที่ไหนมาเกิดเป็นปุถุชนเป็นมนุษย์ดินดิน แต่มีความฉลาดมีความสามารถที่เรียนรู้วิธีกาจัดคราบสกปรกต่างๆที่ติดอยู่ในใจคือกิเลสตัณหาโมหะอาวิชชาให้หลุดออกจากใจไป ทำให้ใจนั้นกลายเป็นใจที่สะอาดบริสุทธิ์ขึ้นมาเป็นใจที่เต็มเปลี่ยมไปด้วยความสุขคือปรามังสุขขังเป็นใจที่ปราศ จ, จากความทุกข์ต่างๆเป็นใจที่ไม่มีการเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปนี่แหละคือใจหรือจิตของพวกเราและของพระพุทธเจ้าของพระอรหรันต์ มาจากที่เดียวกันมาจากปุถุชนพระพุทธเจ้าก็เป็นปุถุชนมาก่อนพระอาหารหันตสาวกก็เป็นปุถุชนมาก่อนแต่พอรู้ว่าสามารถที่จะปรับปรุงจิตใจของตนให้ดีขึ้นให้สวยขึ้นให้งามขึ้นให้มีคุณค่าราคาเพิ่มมากขึ้นก็เลย ทำก็เลยนำเอาจิตใจมาพัฒนามาซักฟอกมาปรับปรุงให้เป็นจิตใจที่สวยงามเป็นจิตใจที่มีคุณค่าเป็นจิตใจที่มีความสุขปราศจากความทุกข์ต่างๆนี่คือ เรื่องของพระพุทธเจ้าเรื่องของพระอาหารหันต์กับเรื่องของพวกเราที่ไม่มีอะไรแตกต่างกันต่างกันตรงที่ท่านได้ทำงานท่านได้ทำภารกิจคือการชำระจิตใจของท่านให้สะอาดบริสุทธิ์แล้วส่วนพวกเรายังไม่ได้ทำกัน ใจิตใจของพวกเราก็เลยยังไม่สะอาดบอยสุดผุดผ่องยังไม่มีความสุขสมบูรณ์ยังมีความสุขแบบสุขสุขดิบๆดิบมีบ้างแล้วก็หายไปแล้วก็มีทุกข์กลับเข้ามาบ้างสลับกันไปสลับกันมาแล้วก็จะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆ มันจิตใจนี้จะไม่สะอาดบริสุทธิ์ขึ้นมาตามการตามเวลาไม่เหมือนผลไม้ที่มันจะสุกงอมไปตามการตามเวลาไม่ต้องทำอะไรผลไม้มะม่วงช่วงนี้พอมันงอกงามออกพอมันออกมาแล้วเดี๋ยวมันก็จากสีเขียวมันก็กลายเป็นสีเหลืองไปเดี๋ยวมันก็สุกงอมขึ้นมา แต่จิตใจของปุถุชนนี้จะให้กลายเป็นจิตใจของพระอริยโดยอัตโนมัติไม่ได้มันไม่ไปมันต้องผ่านกระบวนการซักฟอกกระบวนการเจรในบุงแต่งให้จิตใจเป็นจิตใจที่สวยงามเหมือนเพชรน้ำหนึ่งนี่คือเรื่องราวของ พวกเรากับเรื่องราวของพระพุทธเจ้าพระอาหารหันต์ที่พวกเรานี้มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนจิตใจของพวกเราที่เป็นปุถุชนในตอนนี้ให้กลายเป็นจิตใจของพระอาหารหันต์ของพระพุทธเจ้าได้จิตใจของพระอาหารหันต์กับของพระพุทธเจ้านี้ก็เป็นจิตใจที่สะอาดบริสุทธิ์เหมือนกัน เป็นเพศน้ำหนึ่งเหมือนกันเพียงแต่ว่าทำไมเราจึงเรียกว่าจิตใจของพระพุทธเจ้าและจิตใจของพระอาหารหันตสาวกอันนี้เป็นเพราะว่าการทำให้จิตใจบอยสุดขึ้นมาของพระพุทธเจ้าและของพระอาหารหันตสาวกนี้เกิดจากการกระทาที่ ไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันตรงไหนไม่เหมือนกันตรงที่พระพุทธเจ้านี่เป็นคนที่เรียนรู้วิธีที่จะมาซักพอกจิตใจของพระพุทธเจ้าให้สะอาดบริสุทธิ์เองคือไม่มีใครสอนเพราะไม่มีใครรู้ พระพุทธเจ้าก็พยายามไปแสวงหาครูบาอาจารย์ต่างๆว่าทําอย่างไรทําให้จิตใจนี้สะอาดบริสุทธิ์ทําให้จิตใจนี้ประะาศจากปราศจากความทุกข์ต่างๆไปถามใครก็ไม่มีใครรู้รู้แต่เพียงวิธีทําให้จิตใจหายทุกข์ชั่วครั้งชั่วคราวคือวิธีของสมาธิ แต่วิธีที่จะทำให้จิตใจนี้หายทุกอย่างถาวรทำให้จิตใจนี้สะอาดบริสุทธิ์อย่างถาวร น, นี้ไม่มีใครรู้วิธีพระพุทธเจ้าก็เลยต้องไปค้นคว้าหาวิธีด้วยตนเองจนในที่สุดก็สามารถพบวิธีที่จะมาชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์ได้อย่างถาวร ทำให้ใจนี้มีแต่ความสุขอย่างถาวรทําให้ความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ในใจนี้หายไปอย่างถาวรไม่กลับเกินขึ้นมาอีกอเป็นใจที่สะอาดบริสุทธิ์ใจที่ค้นพบวิธีรักษาใจให้สะอาดบริสุทธิ์ด้วยตนเองจึงเรียกว่าพระพุทธเจ้า เรียกว่าพาาระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพาาระอรหันต์ก็คือใจผู้ที่มีใจสิ้นกิเลสใจที่สะอาดบริสุทธิ์เรียกว่าพาาระอรหันต์พาาระอรหันต์ก็มีสองพวกพวกแรกเรียกว่าเนี่ยพาาระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าจะเรียกว่าพวกก็ไม่เฉิงเพราะมีคนเดียวทั้งที่เป็นพาาระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า นอกนั้นแล้วจะเป็นพาาระอรหันตสาวกพาาระอรหันตสาวกนี้เป็นอย่างไรก็เป็นผู้ที่ชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์เหมือนกับพระพุทธเจ้านี่แหละต่างกันตรงที่ว่าต้องให้พระพุทธเจ้าเป็นคนสอนนะเพราะตนเองไม่สามารถที่จะค้นคว้าหาวิธีได้ด้วยตนเอง ต้องให้มีคนรู้วิธีมาสอนต้องมีครูจึงเป็นสาวกส า, กสาวกสาวกงนี้แปลว่าผู้ศึกษาผู้ฟังเป็นผู้ฟังคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าสอนวิธีชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์จึงปรากฏมีพาาระอรหันต์สองแบบพระอรหันต์ตัศม์มาสามพุทธเจ้า ผู้สิ้นกิเลสด้วยตนด้วยการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองแล้วก็พระอาหารหันตสาวกผู้สิ้นกิเลสด้วยการศึกษาจากพระพุทธเจ้าในพุทธศาสนาแต่ละยุคนี้จะมีพระพุทธเจ้าเพียงรูปเดียวนอกกนั้นจะเป็นพระอาหารหันตสาวกผู้ที่เป็นพระอาหารหันต์นี้ มีพระอาหารหันต์ัสมาสัมพุทธเจ้าเพียงรูปเดียวนอกนั้นจะเป็นพระอาหารหันตสาวกจะมาบอกว่าตนเองเป็นพระพุทธเจ้าไม่ได้เพราะว่าที่ทําที่เป็นพระอาหารหันต์ได้นี่ก็เพราะว่าไปเรียนมาจากพระพุทธเจ้าอีกทีถึงแม้ไม่ได้เรียนโดยตรงก็เรียนจากหนังสือของพระพุทธเจ้าคําสอนของพระพุทธเจ้า หรือเรียนจากสาวกของพระพุทธเจ้าอีกทีเนี่ยเี่ยพระอาหารหันต์เรียนจากพระอาหารหันต์ก็เรียกว่าเป็นพระอาหารหันตสาวกเหมือนกันเนี่ยแต่พระพุทธเจ้านี่ไม่ได้เรียนจากใครเพราะไม่มีใครรู้ไม่มีใครสอนนี่ยในแต่ละยุคแต่ละครั้งที่มีพระพุทธศาสนาปรากฏขึ้นมานี้จะมีพระพุทธเจ้าเพียงรูปเดียว แล้วพอท่านสอนคนอื่นให้รู้วิธีชำระจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์พอเขานำอาไปชำระจนจิตใจสะอาดบริสุทธิ์เขาก็กลายเป็นพระอาหารหันต์ขึ้นมาเหมือนกับพระพุทธเจ้าความบริสุทธิ์ของจิตใจเหมือนกันเป็นเพชรน้ำหนึ่งเหมือนกันใจของพระพเจ้าสะอาดบริสุทธิ์ขนาดไหน ใจของพระหลันตาสาวกก็สะอาดขนาดนั้นเหมือนกันไม่มีมากกว่านหรือด้อยกว่ากันเพียงแต่ว่าที่มาที่ไปต่างกันที่มาของความบริสุทธิ์ของพระพทุทธเจ้านี้มาจากการค้นคว้าศึกษาด้วยตนเองแต่ที่มาของพระหลันตาสาวกนี่ มาจากคําสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้าอีกทีหนึง่งเท่านั้นเองแต่ผลคือใจที่สะอาดบ ร, ริสุทธิ์นี้เหมือนกันแล้วพระพุทธเจ้านี้ก็มีสองแบบพระพุทธเจ้าที่สอนสั่งสอนผู้อื่นและพระพุทธเจ้าที่ไม่สั่งสอนผู้อื่นพระพุทธเจ้าที่ไม่สั่งสอนผู้อื่นนี้เราเรียกว่าพระปัเจกพรพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าที่สั่งสอนผู้อื่นเราเรียกว่าพระอาหารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเช่นพระพุทธเจ้าที่พวกเราคารวนับถือนี้ท่านเป็นพระอาหารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะท่านนําเอาความรู้นี้มาสอนผู้อื่น <c oughs> จึงทําให้ปรากฏมีพระอาหารหันตสาวกขึ้นมาเป็นจํานวนมากน แต่พระประเจกัพุทธเจ้านี่ไม่สอนไม่มีสาวกไม่มีพระอรหันตสาวกไม่มีพระพุทธศาสนารับประโยชน์เพียงคนเดียวไปนิพพานเพียงองค์เดียวไม่สามารถนำผู้อื่นไปนิพพานได้ด้วยแต่พระอรหันตสาวกนี่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านี่นำผู้อื่นไปนิพพานเป็นจำนวนมาก พระพุทธเจ้าของพวกเราเนี่ยท่านเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านสอนให้คนที่เป็นปุถุชนนี้กลายเป็นพระอรหันตาสาวกขึ้นมาเป็นจนํานวนมากนีก็เท่ากับพระพระเหล่านี้ไปนิพพานกันนั่นเองพราจิตใจของพระอรหันตาสาวกทั้งหลายไปนิพพานถ้าไม่มีพระพุทธเจ้ามาตัดสรุ แล้มาเผยแผ่สั่งสอนก็จะไม่มีพระอาหารหันต์สาวกแม้แต่รูปเดียวเพราะว่าไม่มีใครที่จะรู้ได้ด้วยตนเองถ้ารู้ได้ด้วยตนเองก็ต้องก็แจกเป็นพระอาหารหันตัสมาสัมพุทธเจ้าหรือเป็นพระประเจกขพุทธเจ้าไปพวกเรานี้ก็ไม่มีปัญญาไม่มีความสามารถที่จะ ไปรู้จักวิธีชําระใจให้สะอาดบริสุทธิ์ได้ด้วยตนเองขนาดมีคนสอนมีรู้วิธีแล้วก็ยังทํากันไม่ได้ดูด้วยจำนวนของชาวพุทธที่มีอยู่ในประเทศไทยมีกี่แสนกี่ล้านแล้วรู้คําสอนรู้วิธีชําระใจให้สะอาดบริสุทธิ์กัน แล้วนำมาไปชำระให้มันสะอดาดบริสุทธิ์ได้สักกี่คนกี่คนกันนั่นแหละแล้วจะขนาดรู้วิธียังทำไม่ได้แล้วถ้าไม่รู้วิธีจะทำได้หรือเปล่าถ้ามาเกิดในสมัยที่ไม่มีพระพุทธเจา้าไม่มีพระพุทธศาสนาก็จะไม่มีวันที่จะรู้วิธีที่จะซักพอกจิตใจของตนเองให้สะอดาดบริสุทธิ์ได้ เมื่อไม่รู้วิธีซักฟอกก็จะต้องเวียนว่ายตายเกิดไปเรื่อยเพราะสิ่งที่ไม่ได้รับการซักฟอกนี่แหละคือตัวที่นำพาจิตใจให้ไปเวียนว่ายตายเกิดอยู่ไม่รู้จักจบจากสิ้นคือกิเลสตัณหาโมหะอาวิชานี่เองที่พาให้จิตใจของพุทถชนเวียนว่ายตายเกิด ในตายพบในกามมพในร <dır> ูปประพบในอรูปประพบถ้าเสพกามก็ไปเวียนว่ายตายเกิดในกามมพถ้าเสพรูปประชานก็ไปเวียนว่ายตายเกิดในรูปประพบถ้าเสพอรูปประชานก็ไปเวียนว่ายตายเกิดในอรูปประพบ อย่าเวียนวหวตายเกิดไปอย่างนี้ไปเรื่อยๆ เ, เกิดแล้วก็ตายตายแล้วก็กลับมาเกิดใหม่แล้วก็มาเสบรูปเสียงกลิ่นรสเสบกรรมเสบรูปประชานเสบรูปประชานไปเรื่อยๆจนกว่าที่จะเกิดความเบื่อหน่ายขึ้นมาเบื่อหน่ายกับการที่จะต้องมาเกิดแก่เจ็บตาย แล้วอาจจะมีอะไรมากระตุ้นให้ขวนขวายให้คิดหาวิธียุติการเวียนว่ายตายเกิดนานๆนนจะมีคนแบบนี้สักคนหนึ่งของพวกเรายุคนี้ของพวกเราก็คือเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะนี่เจ้าชายสิท ธ, ธัตถะพอเห็นคนแก่เห็นคนเจ็บเห็นคนตายก็เกิดความ ทุกใจขึ้นมาเกิดความกลัวขึ้นมาไม่อยากจะแก่ไม่อยากจะเจ็บไม่อยากจะตายไม่อยากจะกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายอยู่เรื่อยๆยิ่งทำให้พระองค์นี่มีความปรารถนาอันแรงกล้าที่จะต้องหาวิธีที่จะทำให้ไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปแล้วก็ทรงทราบว่า มีพวกนักบวชที่เขากำลังค้นคว้ากันอยูอ่ก็ยินดีที่จะไปบวชยินดีที่จะสะละราชสมบัติสละความสุขของเจ้าชายสิทธัตถะไปแล้วไปอยู่แบบขอทานไปอยู่แบบนักบวชเป็นขอทานนักบวชสมัยก่อนเป็นขอทานสมัยนี้ก็เป็นขอทานเพียงแต่ว่าสมัยนี้ เป็นขอทานบรรดาศักดิ์มีศักดิ์ด้วยมีแต่งตั้งเพราะมีผู้มีศรัทธาเคารพนับถือมากก็เลยยกย่องแต่งตั้งให้เป็นเป็นเจ้าฟ้าเจ้าคุณอะไรต่างๆแต่ดีๆก็เป็นขอทานดีๆนีเ่เพราะหน้าที่ของนัก บ, บวชก็คือบิณฑบาตเลี้ยงชีพ แต่พอสมัยนี้มีคนเคารพนับถือมากยกย่องมากอาชีพขอทานก็เลยไม่ต้องทำมีคนขนอาหารมาถวายให้ถึงวัดถึงที่กุฏิมีคนนิมนต์ไปฉันถึงบ้านพระที่เป็นพระบรรดาศักดิ์ก็เลยไม่ค่อยนบินทาบาทกันเพราะเลย เห็นว่าการบินทบาทนี้ตามกว่าฐานะของตนตอนได้ยกเป็นเจ้าฟ้าเจ้าขุนเป็นพระราชพระเทพพระอะไรแล้วจะไปบินทบาทแบบขอทานมันก็ไม่สมพระเกียรติอันนี้เป็นความเข้าใจผิดของ ท่านเหล่านั้นเพราะความจริงการมาบวชนี้ก็มาบวชเพื่อให้อยู่แบบขอทา น, นเพราะว่าเป็นวิธีที่จะสนับสนุนในการที่จะมาชำระจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์ต้องเป็นขอทานต้องทำตัวให้ต่ำที่สุด ทำเป็นตัวให้เป็นเหมือนปัตตาพีเหมือนแผ่นดินไม่ให้ถือเนื้อถือตัวเพราะการถือเนื้อถือตัวก็เป็นกิเลสตัณหานี่เองที่จะต้องมาชําระไม่ใช่มาส่งเสริมการมาบวชนี้เพื่อมาละอัตตาตัวตนเคยเป็นอะไรเป็นใหญ่เป็นโตพอมาบวชแล้วก็ต้องทิ้งไปหมด แมะแต่ในหลวงรอเก้าตอนที่ท่านบวชท่านก็ต้องเดินออกบินทบาติรับอาหารของชาวบ้านกินอาหารของชาวบ้านนี่แหละคือเรื่องของการบวชของพระพุทธเจ้าของเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะถ้าไม่มีความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่อยากจะตัดภพตัดชาติตัดการเวียนว่ายตายเกิด มีใครที่ไหนบ้างที่อยากจะเปลี่ยนฐานะจากเจ้าชายมาเป็นขอทานไม่มีนะมิแต่อยากจะเปลี่ยนจากขอทานมาเป็นเจ้าชายไม่มีใครคิดอยากจะเปลี่ยนจากเจ้าชายมาเป็นขอทานนอกจากคนบ้าเท่านั้นเนี่ยพระพุทธเจ้าเขาก็เจ้าชายสิทธัตถะเขาก็อาจจะคิดว่าบ้ากันท่านก็รู้ว่าเขาจะต้องคิดว่าท่านบ้าแ น, น่ๆถ้าท่านบอกเขา ท่านเลยไม่บอกใครถ้าท่านบอกเขาก่อนว่าให้เราจะไปเป็นขอทานดีไหมวะเขาวอกบ้าหรือเปล่าอยู่ในวังมีประสาทสามฤ ด, ดูมีเงินทองใช้จ่ายเหลือเฟือมีความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสทุกรูปแบบทุกชนิดแล้วอยู่ดีๆจะไปอยู่เป็นขอทานได้อย่างไรยิ่งสมัย ก่อนสมัยที่พระพุทธเจ้าเป็นนักบวชเนี่ยเขาไม่ได้ยกย่องเหมือนกับเขายกย่องพระสมัยนี้นะสมัยนี้เขายกย่องแล้วก็สนับสนุนเลี้ยงดูอย่างดีแต่สมัยที่พระพุทธเจ้าบวชเนี่ยแม้แต่จีวรเขาก็ไม่ได้ถวายอผ้าที่จะมาทําจีวร น, นี่นักบวชต้องไปเก็บผ้าหอ่อศพมาทําเป็นผ้าจีวร น, นุ่งห่ม เขาให้เพียงแต่อาหารเท่านั้นเองเหมือนขอทานดีๆนี่เองบาทนี้ก็เป็นเหมือนที่ขันหรือกละมังหรื อ, อที่ขอทานถือไปเวลาไปขออะไรของคนนะกลาสมัยก่อนเขาใช้กะลามาเพนะ้เาวเนี่ยบาทก็เหมือนกันบาทสมัยก่อนก็ทำด้วยไม้ก็มีทำด้วยดินปั้นก็มี เป็นขอทานดีๆนี่ไม่มีศักดิ์ศรีไม่มีเกียรติไม่มีพระราชาพระเจ้าแผ่นดินองค์ไหนมาตั้งให้เป็นเจ้าฟ้าเจ้าขุนให้เป็นพระเทพพระธรรมพระพรมพระสมเด็จไม่มีสมัยนั้นเป็นขอทานจริงๆนี่แหละคือความปรารถนาอันแรงกล้าของเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะ ที่เห็นความแก่เห็นความเจ็บเห็นความตายแล้วหวาดผวาขึ้นมากลัวอย่างมากเลยกลัวจะนกระทั่งกล้าที่จะสละาะสมบัติแล้วไปอยู่แบบขอทานเพราะคิดว่ามีโอกาสที่จะได้ไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดไม่ต้องมาเจอกับความแก่ความเจ็บความตายอีกต่อไปจึงกล้าที่จะเสีย สละฐานะของเจ้าชายไปแล้วก็ไปอยู่แบบขอทานตอนที่ออกจากวังไปพอพ้นเขตวังก็เดินต่อตอนไปจากวังก็ขี่ม้าไปมีมหาเล็กตามไปพอพ้นพ้นเขตของเมืองของประเทศก็ลงจากมาแล้วให้ เขาเอาม้ากลับไปพระองค์ก็เดินไปมีชุดเจ้าชายติดตัวไปชุดเดียวหาชุดขอทานใส่ไม่ได้พอเดินไประหว่างทางก็เจอขอทานเขาจริงๆแล้วขอทานพอเห็นชุดของเจ้าชายก็อยากจะได้ขึ้นมาก็เลยขอแลกเปลี่ยนเจ้าชายสิทธัตถาก็ดีใจาจะได้เป็นขอทานสมบูรณ์ก็เลยยินดีแลกเปลี่ยนทันที นางเอาชุดของขอทานมาใส่แล้วก็ให้ชุดของเจ้าชายให้ขอทานไปนี่แหละคือผู้ที่อยากจะหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดจริงๆท่านไม่คิดเหมือนเราคิดกันท่านเห็นการเวียนว่ายตายเกิดการเกิดแก่เจ็บตายนี่ถึงแม้จะเป็นเจ้าชายเจ้าฟ้าเป็นพระเจ้าแผ่นดิน มันก็เหมือนกับขอทาเหมือนก็เหมือนคนขอทานคนยากคนจนนึ่แะความแก่ความเจ็บความตายมันไม่ต่างกันนะเวลาเจ้าเวลาเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินตาแก่กับคนขอทานแก่มันก็แก่เหมือนกันนะเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยมันก็เจ็บเหมือนกันแ่ละเวลาตายก็ตายเหมือนกันไม่ต่างกันเลยร่างกายของพระเจ้าแผ่นดินกับร่างกายของขอทาน เวลามันแก่มันเจ็บมันตายก็เหมือนกันมันเลยทำให้เจ้าชายสิทธัตถานี้อยากจะหลีจากความแก่ความเจ็บความตายไปก็เลยต้องไปเป็นนักบวชไปเรียนจากพวกนักบวช ท, ทั้งหลายพวกนักบวชก็ คนพบวิธีที่จะทำให้ไม่ทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายได้ชั่วครั้งชั่วคราวด้วยการเข้าไปในสมาธิด้วยการเข้าฌานเวลาจิตเข้าฌานนีจิตก็ปล่อยวางร่างกายจิตไม่คิดถึ ง, รงเรื่องของร่างกายไม่คิดถึงความแก่ความเจ็บความตายความทุกข์ใจ ที่ของร่างกายก็เลยหายไปชั่วคราวแต่พอออกจากสมาธิมามาเห็นร่างกายที่จะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายก็เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาใหม่ไม่มีใครรู้วิธีว่าจะทำยังไงไม่ให้ทุกข์ใจตลอดเวลาไม่ใช่แต่เฉพาะเวลาเข้าไปในสมาธิเท่านั้นต้องให้มัน ไม่ทุกกับความแก่ความเจ็บความตายตลอดเวลาเมื่อไม่มีใครรู้พระพุทธเจ้าก็เลยต้องไปค้นคว้าหาโดยวิธีของตนลด้วยตนเองอสมณะโคดมดังนั้นเป็นสมณะโคดมยังไม่เป็นพระพุทธเจ้า อ, ออกจากพระราชวางังเปลี่ยนจากเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะมาเป็นสมณะโคดมโคดมนี้ก็คือนามสกุลของพระ ของพบของเจ้าชายสิทธัตถะมาเปลี่ยนชื่อเป็นสั ม, มณะณโคดมแล้วก็มาศึกษาปฏิบัติธรรมอยู่หกปีจนได้พบวิธีที่จะชำระจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์ทำให้จิตใจไม่ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไปทำให้จิตใจไม่ต้องทุกกับความแก่ความเจ็บความตาย ของร่างกายที่ยังมีอยู่ในขณะนั้นนะพอได้ค้นพบวิธีแล้วได้เป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาแล้วได้จิตใจที่สะอาดบริสุทธิ์แล้วเป็นปรมังสุขขังแล้วไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดเด็กต่อไปแล้วจึงเอาความรู้นี้มาสอนผู้อื่นต่อไปสอนผู้ที่สนใจผู้ที่อยากจะ หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกินซึ่งกลุ่มแรกที่ยินดีที่พร้อมก็คือพวกนักบวชทั้งหลายนี่พวกที่เขาไปบวชกันนั้นก็เพราะเขากลัวความแก่กลัวความเจ็บกลัวความตายกันเขาไม่อยากจะกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายเขาไม่อยากจะทุกกับความแก่ความเจ็บความตายเขาก็เลยไปบวชกันแต่เขาก็ได้เพียงแต่ระดับ สมาธิคือดับความทุกข์ได้ชั่วคราวเวลามีความทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายก็เข้าไปในสมาธิแต่สมาธิก็อยู่ได้ไม่ตลอดเวลาเดี๋ยวก็ต้องออกมาเพราะจะต้องมาดูแลร่างกายร่างกายต้องกินต้องเดิมต้อง มีการออกกำลังกายมีการเปลี่ยนนิรยาบทมีการขับถ่ายจะอยู่ในสมาธิตลอดเวลาไม่ได้ก็ต้องออกมาพอออกมารับรู้เรื่องของร่างกายใจก็ทุกขขึ้นมาใหม่ไม่มีใครรู้วิธีที่จะทำให้ใจไม่ทุกเวลาที่ออกจากสมาธิมา พพุทธเจ้าคือส ม, มณะโคดมก็เลยต้องไปค้นคว้าด้วยตนเองเมื่อไม่มีใครรู้ว่าทำไงไม่ให้ใจทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายไม่ให้ใจต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายต่อไปก็เลยต้องไปค้นหาด้วยตนเองในที่สุดก็ส่งค้นพบสาเหตุที่ทาให้ใจทุกข์ก็คือความอยาก ความอยากใช้ร่างกายนี้เป็นเครื่องมือหาความสุขกันเมื่อต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขถ้าร่างกายเป็นอะไรไปก right yeah. oh, ็จะไม่สามารถหาความสุขได้ก็เลยเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาเวลาที่ร่างกายแก่ร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยร่างกายตายก็จะไม่สามารถใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือไปหาความสุขต่างๆได้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 แต่ไม่หายไม่หายอย่างถาวรไม่หมดไปอย่างถาวรวิธีที่จะทำให้มันหมดไปอย่างถาวร น, นี้ต้องใช้ปัญญาคือเหตุผลเหตุผลมาสอนใจว่าการทำตามความอยากนี้ไม่ได้เป็นการกำจัดความทุกข์แต่เป็นการสร้างความทุกข์ให้เพิ่มมากขึ้นเพราะสิ่งที่เราได้มาเพื่อกำจัดความทุกข์ มันกำจัดได้ชั่วคราวมันให้ความสุขเราชั่วคราวแล้วเดี๋ยวพอมันหมดไปความทุกข์ก็กลับเืนมาใหม่วิธีที่จะทำให้ใจไม่ทุกข์ต้องตัดความอยากที่จะใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขต่างๆแล้วก็ตัดความอยากให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตาย พอตัดความอยากเหล่านี้ได้แล้วก็ไม่ต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขอีกต่อไปแล้วก็จะไม่ทุกกับความแก่ความเจ็บความตายเพราะไม่มีความอยากที่จะให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเพราะรู้ว่าห้ามมันไม่ได้ร่างกายมันยังไงก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเ ป, นนาตาเป็นอนัตตาเป็นอนิจจังไม่เที่ยง ถ้าไปอยากให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายก็จะทุกข์ที่อยากก็เพราะว่าอยากจะใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขพอเลิกใช้เครื่องมือหาความสุขได้มันก็เลิอกอยากให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายได้เราจึงต้องใครอยากจะหลุดพ้นจากความทุกข์ของร่างกายของความแก่ความเจ็บความตายนี้ ต้องมาหยุดที่การอยากจะใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขเราใช้เครื่องมือหาความสุขกันทุกวันนี้อยากจะดูหนังก็ต้องมีตาดูอยากจะฟังเพลงก็ต้องมีหูฟังอยากจะกินอาหารก็ต้องมีลิ้นสัมผัสกับรสมีจมูกสัมผัสกับกลิ่นมันถึงมีความสุขถ้ากินแบบไม่มีรสไม่มีกลิ่นไม่มีชาตมันไม่อร่อยใช่มมันไม่มีความสุข กินแล้วต้องปรุงแต่งนะต้องใส่น้ําตาลใส่พริกใส่น้ําส้มใส่อะไรต่างๆให้มันเผ็ดให้มันมันเนี่ยเราใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขเราต้องเลิกหาความสุขแบบนี้ถ้ากิน ก, ก็กินแบบจืดๆชืดๆไปไม่ต้องเติมไม่ต้องแต่งอะไรมีละกินก็ยิญาติมันเข้าไปเหมือนกินยากินกินเพื่อเลี้ยงร่างกายรักษาร่างกาย อย่างนี้เรียกว่ากินแบบไม่อยากถ้ากินแบบอยากนี่โอ้ยต้องจัดอาหารให้มันสวยงามบนจานแล้วก็เห็นแล้วน้ำลายไหลได้ดมกลิ่นแล้วโอยอยากจะกินขึ้นมาอันนี้กินแบบใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขต้องเลิกเลิกใช้เครื่องมือเลิเลกใช้ร่างกายหาความสุขแล้วจะได้ไม่ ไม่ทุกกับร่างกายเวลาร่างกายมันไม่สามารถทำหน้าที่หาความสุขให้กับเราได้เพราะเราเลิก่ยเราไม่ใช้มันลวเลิกเที่ยวเลิกหาความสุขเลิกมีแฟนอยู่คนเดียวเนี่ยต้องเลิกแบบนี้เพราะว่าการมีแฟนก็ใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขกับแฟนนอนกับแฟนก็ต้องมีร่างกายต้องใช้ร่างกายนอนกับแฟน ไปเที่ยวก็ต้องใช้ร่างกายพาไปเที่ยวไปดูหนังฟังเพลงก็ต้องใช้ร่างกายพาไปดูหนังฟังเพลงต้องเลิกใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขแล้วมาหาความสุขจากการทำใจให้สงบแทนมาฝึกสมาธิมานั่งทำสมาธิพอใจสงบใจก็มีความสุข แล้วก็เป็นความสุขที่ดีกว่าความสุขที่ได้จากการใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือแล้วก็เป็นความสุขที่มั่นคงกว่าเพราะว่าไม่ต้องใช้ร่างกายร่างกายมันไม่มั่นคงร่างกายเดี๋ยวมันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายแต่ใจนี้ไม่มีแก่ไม่มีเจ็บไม่มีตายถ้ารู้จักทำใจให้สงบได้สามารถทำได้ทุกเวลา ไม่ว่าร่างกายจะแก่ไม่แก่ก็ทาใจให้สงบได้ร่างกายจะเจ็บหรือไม่เจ็บก็ทำใจให้สงบได้ร่างกายจะตายหรือไม่ตายก็ทำใจให้สงบได้เนี่ยความสุขที่ได้จากความสงบจึงเป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงเนี่ยพอได้สมาธิแล้วทีนี้ก็เลิกหาความสุขผ่านทางร่างกายได้ เวลาความอยากมันจะหลอกให้ไปก็ต้องสอนใจว่าถ้าไปแล้วมันเดี๋ยวจะต้องมีปัญหาเพราะต่อไปร่างกายมันจะทำไม่ได้ตอนนี้ทำได้ไปเที่ยวได้เดี๋ยวเวลาพิกลพิการขึ้นมาไปไม่ได้นะเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยไปไม่ได้ตอนนั้นเวลาอยากจะไปมันจะทุกข์มากนะมันจะทรมานมากคนที่ใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขเนี่ย พอไม่สามารถใช้มันได้ก็คิดฆ่าตัวตายกันนะฮะ อ, อ, อยากจะไปเที่ยวอยากไปหาความสุขผ่านทางร่างกายแต่เป็นโครคภัยไข้เจ็บเนี่ยไปไม่ได้ อ, อ, อ, อ, อยากจะกินของหวานหวานหมอบอกกินไม่ได้เป็นเบาหวานเนี่ยทีนี้นมันก็ชีวิตก็จืดชืดไม่มีชีวิตชีวานะก็ไม่รู้จะอยู่ไปทําไม คนที่คิดค่าตัวตายส่วนมากก็เพราะว่าไม่สามารถใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขได้หรือร่างกายมันใช้แต่เครื่องที่จะสนับสนุนเครื่องมือที่จะมาสนับสนุนให้ร่างกายไปหาความสุขก็ไม่มีเช่นหมดสิ้นเนื้อประดาตัวเวลาเงินทองหมดเนี่ย ถึงแมว่าร่างกายยังแข็งแรงอยู่แต่ไม่มีเงินไปเที่ยวก็ไปไม่ได้อยู่ดีคนบางคนสิ้นเนื้อประดาตัวร่างกายยังสมบูรณ์ดีแต่คิดฆ่าตัวตายกันก็มีบางคนสูญเสียคนที่รักไปเพียงคนเดียวทั้นทีนี้ไม่นอนคนเดียวไม่ได้เลยสิแฟนตายไปแล้วอย่างนี้โอไม่มีชีวิตชีวาไม่มีความคิดอยากจะอยู่กัน สองคนคิดค่าตัวตายกันเวลาเสียแฟนไปเพราะเวลามีแฟนนี่สามารถใช้ร่างกายหาความสุขกับแฟนได้พอแฟนไม่มีแล้วนี่โดยเฉพาะถ้าแฟนทิ้งไปนี่ยิ่งเศร้าใหญ่ถ้าแฟนตายไปยังยังพอจะทำใจได้บ้างแต่ถ้าแฟนทิ้งนี่แหมมันรู้สึกถูกตบหน้านะโดนสองเด้ง ถ้าแฟนตายไปนี่ก็โดนเด้งเดียวอย่างน้อยก็ยังรักเราอยู่แต่เขาตายไปเพราะโรคภัยไข้เจ็บรู้บัติเหตุแต่ถ้าเขาไปเพราะเขาทิ้งเรานี่ยโอโ้โหมันโดนสองเด้งเลยมันทำให้ไม่อยากจะอยู่อีกต่อไปไปไหนก็อายชาวบ้านเคยไปไหนก็แฟนเดินไปคนเดียวเดี๋ยวชาวบ้านเพื่อนฝูงก็ถามว่าแฟนไปไหนก็ไม่กล้าจะตอบเขา ไม่ไ ม, ไม่มีกระจิตกระใจอยากจะอยู่ต่อไปเนี่ยนี่แหละคือความทุกข์ที่เกิดจากการใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขเนี่ย้องใช้ปัญญาคิดความสุขทุกชนิดที่ร่างกายหานีเดี๋ยววันหนึ่งมันจะต้องหาไม่ได้อาจจะเป็นเพราะร่างกายหมดสภาพแก่พิกลพิการเจ็บไข้ได้ป่วยหรือตาย หรือเครื่องมือคือเงินทองหรือสิ่งต่างๆที่มาให้ความสุขมันไม่อยู่กับเราแล้วมันไปแล้วนี่แหละคือความทุกข์ที่จะตามมาถ้าเราไปหาความสุขผ่านทางร่างกายนี่คือปัญญาที่เราจะต้องคอยสอนใจเตือนใจเวลาที่เรามีความสงบแล้วแต่เวลาออกจากความสงบมานี้ความอยากมันยังไม่ตาย มันก็จะมาบอกเดี๋ยวไปเที่ยวดีกว่าเดี๋ยวไปหาแฟนดีกว่าถ้ามันคิดอย่างนี้ต้องใช้ปัญญามาสอนว่า <rets. S 1> ถ้าไปแล้วเกิดไม่เจอแฟนจะทาไงหรือถ้าอยากไปเที่ยวไม่มีเงินไปเที่ยวจะทำยังไงหรือวันนี้มีแต่วันหน้าจะไม่มีจะทำยังไงมันจะต้องมีทั้งวันที่จะไม่มีแล้วการไปเที่ยวการไปอยู่กับแฟนมันก็จะ ติดเป็นนิสัยมันจะต้องเที่ยวอยู่เรื่อยๆต้องมีแฟนอยู่เรื่อยๆพอเวลาใดไม่ได้เที่ยวเวลาใดไม่มีแฟนขึ้นมามันก็จะทุกข์ขึ้นมาเท่านั้นนี่แหละคือปัญญาต้องนั่งคิดด้วยเหตุด้วยผลว่าการหาความสุขผ่านทางร่างกายนี้มันไม่แน่นอนบางทีก็ได้บางทีก็ไม่ได้เวลาได้ก็ไม่เป็นปัญหาอะไรเวลาไม่ได้เนี่ยมันจะฆ่าตัวตาย เพราะมันทุกข์มากเสียใจมากสู้อยู่กับความสงบดีกว่ามาพุโทโธพุโทโธมานั่งสมาธิทำใจให้สงบดีกว่าพอใจสงบความอยากก็หายไปใจก็มีความสุขขึ้นมาต่อไปความอยากที่จะมาล่อใจก็จะหมดกำลังไป เ, เพราะทุกครั้งที่มันมาล่อเราก็ไม่ไปทําตามมัน เพราะเราเห็นด้วยปัญญาว่าเป็นการไปหาอนิจจังทุกขังอนัตตาสิ่งต่างๆที่เราอยากได้มาให้ความสุขกับเรามันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาดังนั้นอ น, นี่คือการตัดสลุของพระพุทธเจ้าอทรงรู้วิธีที่จะทําให้หยุดความอยากต่างๆได้พอหยุดความอยากใช้ร่างกายได้ ความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายมันก็หายไปพร้อมๆกันนะเมื่อไม่ต้องใช้ร่างกายแล้วร่างกายมันจะแก่มันจะเจ็บมันจะตายก็ไม่เดือดร้อนนะเพราะไม่ต้องใช้มันไม่ต้องอาศัยมันที่ที่เดือดร้อน ก, นกันก็เพราะว่ายังต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขกันอยู่แต่พอไม่ใช้แล้วทีนี้ร่างกายจะแก่จะเจ็บจะตายก็ไม่เป็นปัญหาอะไร เพราะไม่ได้ใช้มันเพราะเรามีวิธีหาความสุขอีกแบบหนึ่งะหาความสุขจากการทําใจให้สงบเข้าฌานไปพุทโธไปดูลมหายใจไปใจก็จะสงบขึ้นมามีความสุขอทั้งๆที่ร่างกายอาจจะเจ็บไข้ได้ป่วยร่างกายอาจจะพิกลพิการ แต่ใจไม่เดือดร้อนใจมีความสุขตลอดเวลาใจเลิกใช้ร่างกายได้เมื่อเลิกใช้ร่างกายได้เวลาร่างกายนี้ตายไปก็จะไม่ไปหาร่างกายอันใหม่มาอีกต่อไปก็เลยไม่ไปเกิดอีกต่อไปถ้ายังอาศัยร่างกายอยู่ตอนนี้เดี๋ยวร่างกายนี้ตายไปใจก็ยังอยากจะได้ร่างกายอันใหม่ เพราะยังต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขอยู่เพราะเป็นวิธีที่รู้จักพวกเราทุกคนรู้จักหาความสุขโดยใช้ร่างกายกันแต่เราไม่รู้จักวิธีหาความสุขแบบที่ไม่ต้องใช้ร่างกายกันพวกเราเลยต้องกลับมาเกิดกันอยู่เรื่อยๆเกิดแล้วก็ต้องมาเจอความแก่เจอความเจ็บเจอความตายกัน แต่ถ้าพวกเราเป็นพวกที่หูหนวกตาบอด ก, ก็มักจะไม่ค่อยคิดถึงความแก่ความเจ็บความตายกันก็จะทําให้ไม่รู้สึกเดือดร้อนจะมาเดือดร้อนก็สายเกินไปแล้วมารู้อีกทีก็ตอนที่มันแก่จริงๆตอนที่มันเจ็บจริงๆตอนที่มันจะตายจริงๆฮอนะตอนนั้นก็สายไปจะจะแก้ไขอะไรก็ไม่ได้ก็ต้องทนทุกไปอยู่ก็ทุกค่าตัวตายก็ทุกเนี่ มันก็มีเท่านั้นสําหรับคนที่ไม่คิดถึงความแก่ความเจ็บความตายไว้ล่วงหน้าก่อนจะไม่รู้สึกสะเทือนใจกับความแก่ความเจ็บความตายจะคิดว่าโอ้ยมันยังอยู่อีกไกลหรือบางคนไม่รู้เสียด้วยซ้ําไปว่าตัวเองจะต้องเป็นคนแก่คนเจ็บคนตายเด็กสมัยนี้ถ้าไม่มีใครสอนนี้มันจะไม่คิดนั่นมันจะไม่รู้นะแม้แต่ข้าวนี้มันยังไม่รู้ว่ามาจากไหนเนละต้นข้าวมันยังไม่รู้ว่า เป็นยังไงกลับไปคิดว่าข้าวมาอยู่ในถุงพลาสติกเนี่ยคิดว่าผลิตออกมาจากโรงงานเนี่ยเพราะไม่ได้เรียนไม่ได้รู้ไม่ได้ศึกษาพวกเราส่วนใหญ่นี้ก็ไม่ได้ศึกษาเรื่องความแก่ความเจ็บความตายกันเพราะหนึ่งใจเราไม่อยากจะเรียนไม่อยากจะรู้ คิดว่าถ้าไม่รู้มันแล้วมันจะไม่เป็นมั้งถ้าไม่คิดถึงความแก่ความเจ็บความตายแล้วเราจะไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายมั้งพอไปคิดถึงความแก่ความเจ็บความตายขึ้นมาเราจะแก่จะเจ็บจะตายขึ้นมาทันทีมั้งเลยไม่กล้าคิดกันเห็นไหมไม่มีใครกล้าคิดถึงความตายกันมัพอคิดถึงความตายนี้โอยเดี๋ยวสาบเหมือนกับสาบแช่งตัวเองให้ตายขึ้นมาทันที มันไม่ตายหรอกความคิดไม่ได้ทําให้น่างกายแก่เจ็บตายเมันเป็นความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายนี้คิดหรือไม่คิดมันก็ต้องเป็นอยู่ดีเพียงแต่ว่าถ้าเรารู้จักคิดเนี่ยเราจะได้รู้ว่าเรามีปัญหาเรามีข้อสอบที่ต้องแก้ไขต้องทําำข้อสอบชีวิตของพวกเราก็คือความแก่ความเจ็บความตาย ถ้าเรารู้จักวิธีทำข้อสอบนี่เราจะไม่เดือดร้อนกับเวลาที่ร่างกายแก่ร่างกายเจ็บร่างกายตายใจเราจะไม่ทุกข์กับมันเลยแต่ถ้าเราไม่ได้เรียนรู้วิธีไม่ได้เตรียมตัวทำข้อสอบพอถึงเวลาสอบก็สอบตกพอร่างกายเจ็บก็ทุกข์ขึ้นมาพอผมหงอกขึ้นมาเส้นเดียวก็ทุกข์ขึ้นมาแล้ว พอตีนกาโผล่ขึ้นมาก็ทุกข์ขึ้นมาพอไปหาหมอหมอบอกเป็นโรคมะเร็งก็ทุกข์ขึ้นมาทันทีนี่เพราะเราไม่ได้ทําข้อสอบก็เตรียมทําการบ้านกันเตรียมตัวทําข้อสอบกันเพราะเราไม่อยากจะไปเตรียมตัวกันนั่นเองเพราะเราไปคิดว่าการเตรียมตัวเราจะทําให้ชีวิตเหล่านี้เศร้าหมองทําให้เราเสืมเศร้า เพราะเวลาที่เราคิดถึงความแก่วความเจ็บความตายแล้วเราจะรู้สึกหดหูขึ้นมาทันทีอันนี้เป็นเพราะว่าจิตใจมันไม่มีภูมิคุ้มกันนั่นเองมันจึงรู้สึกหดหูแต่ถ้าเรามีภูมิคุ้มกันเวลาเราคิดถึงความแก่วความเจ็บความตายนี้เราจะไม่รู้สึกหดหูดังั้นเบื้องต้นเราต้องมาสร้างภูมิคุ้มกันให้กับใจ ก็คือเราต้องยอมรับความจริงว่าร่างกายของพวกเราทุกคนนี้มันจะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายกันให้เรามาฉีดวัคซีนด้วยการระลึกถึงความแก่ความเจ็บความตายกันพอเราระลึกถึงมันบ่อยๆเข้าต่อไปพอมันคิดถึงความแก่ความเจ็บความตายมันก็จะเฉยได้มันจะไม่รู้สึกหดหูใจ มันจะรู้ว่าตอนนี้ยังไม่แก่ตอนนี้ยังไม่เจ็บตอนนี้ยังไม่ตายตอนนี้ยังทำอะไรได้ก็ทำไปส่วนเวลาแก่เวลาเจ็บเวลาตายก็หัดทำใจกันหัดมาทำใจให้สงบแล้วก็มายอมรับความจริงของร่างกายว่ามันจะต้องแก่มันจะต้องเจ็บมันจะต้องตายนี่คือวิธีทาการบ้านเพื่อเตรียมทำข้อสอบถ้าเรา ยอมรับความจริงของร่างกายซึ่งจะรับหรือไม่รับมันก็ต้องแก่เจ็บตายแต่ถ้าเรารับได้เราจะไม่ทุกข์กับมันถ้าเราปฏิเสธไม่ยอมรับไม่ยอมรับความแก่ไม่ยอมแก่ไม่ยอมเจ็บไม่ยอมตายเราจะทุกข์กับมันเราจะเราจะทุกข์มากเวลาที่เราแก่เวลาที่เราเจ็บเวลาที่เราตายกันนี่คือ เรื่องของจิตใจของพวกเราที่ตอนนี้ยังถูกความหลงครอบงำจิตใจหลอกให้เราไปหาความสุขผ่านทางร่างกายกันแล้วก็ทำให้เราปฏิเสธความจริงของร่างกายเพราะเราไม่ต้องการให้ร่างกายแก่ต้องการให้ร่างกายเจ็บไม่ต้องการให้ร่างกายตาย เพราะเวลาร่างกายมันแก่เจ็บตายเราจะไม่สามารถหาความสุขได้แต่เราไม่สามารถปฏิเสธความจริงของร่างกายมันได้ว่ามันจะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเังนั้นทางออกที่ดีที่สุดของพวกเราก็คือเราต้องยอมรับความจริงอันนี้ยอมรับว่าร่างกายมันจะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายแลวเราไม่ควรที่จะไปอาศัยมัน เป็นเครื่องมือหาความสุขเราควรเปลี่ยนวิธีหาความสุขกันดีกว่าเหมือนถ้าเรารู้ว่าบ้านที่เราอยู่นี่เดี๋ยวน้ำจะท่วมเรายังจะอยู่ต่อไปหรือไม่ทุกปีฝนตกที่ไรน้ำก็ท่วมทุกทีเราก็ย้ายที่อยู่ดีกว่าเปลี่ยนที่อยู่ไปหาบ้านที่น้าไม่ท่วมอยู่ดีกว่าฉนด้ร่างกายเราต่อไปก็จะถูกน้าท่วม ถูกน้ําของความแก่ความเจ็บความตายท่วมเอเพรฉะนเราเลือกใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขกันไม่ดีกว่าเลยมาหาความสุขโดยที่ไม่ต้องใช้ร่างกายเวลาที่ร่างกายถูกน้ําท่วมถูกความแก่ความเจ็บความตายท่วมเราก็ยังสามารถมีความสุขได้เหมือนคนที่ย้ายบ้านจากบ้านที่ถูกน้ําท่วมทุกปี ไปอยู่ที่บ้านไม่มีน้ำท่วมไม่ดีกว่าเลย mm hmm. เวลามีน้ำท่วมบ้านของเราก็ไม่ท่วม mm hmm. แต่ถ้าอยู่บ้านเก่ามันก็จะท่วมอยู่เรื่อยๆ mm hmm. เนี่ยร่างกายเราก็เป็นแบบบ้านที่อยู่ที่ต่ำทุกปีเวลาฝนตกที่ไรต้องท่วมทุกที mm hmm. ถ้าเราย้ายบ้านไปอยู่บ้านที่ไม่มีน้ำท่วมเราก็จะไม่เดือดร้อน mm hmm. ฉันใด การใช้ร่างกายของเราเป็นเครื่องมือหาความสุขก็เป็นอย่างนั้นเดี๋ยวมันจะต้องมีเวลาที่ไม่สามารถใช้มันได้ถ้าเราจะทุกข์เนี่ยแต่ถ้าเราเปลี่ยนวิธีหาความสุขกันจากการใช้ร่างกายมาใช้สมาธิเป็นเครื่องมือกันมาฝึกสติมานั่งสมาธิพุทโธพุทโธดูลมหายใจเข้าออกทำใจให้สงบ พอเราทำเป็นแล้วต่อไปเราก็ทำได้ทุกเวลาทุกสถานที่ที่เราต้องการทุกสภาพของร่างกายร่างกายจะแก่จะเจ็บจะตายก็ทำใจให้สงบได้มีความสุขได้ไม่ทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายได้นี่แหละเป็นเรื่องของการที่เราจะมา ทำชำระใจของเราให้สะอาดมากำจัดความอยากทั้งสามนี้กำจัดความอยากใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขความอยากที่จะใช้ร่างกายให้เราเป็นใหญ่เป็นโตให้เราร่ําให้เรารวยและความอยากไม่ให้ร่างกายมันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเนี่ยอันนี้เราต้องมาชำระมันให้ได้วิธีชำระมันก็คือเราต้องมา เห็นโทษของการใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขว่าเป็นวิธีที่จะทำให้เราต้องทุกข์เหมือนมีบ้านอยู่ที่น้ำจะต้องท่วมเราต้องย้ายบ้านย้ายที่อยู่ใหม่อย่าไปอยู่ที่เดิมอยู่ที่เดิ ม, เ ด, มเดี๋ยวน้ำท่วมทุกปีเราต้องเปลี่ยนวิธีหาความสุขกันอย่าหาความสุขผ่านทางร่างกายให้มาหาความสุขผ่านทางสมาธิกัน มาทําใจให้สงบกันแล้วเราจะได้เลิกใช้ร่างกายได้แล้วต่อไปเวลาร่างกายเป็นอะไรเราก็จะไม่ทุกข์กับร่างกายแล้วเวลาร่างกายตายไปเราก็ไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิอดอีกต่อไปนี่แหละคือการตารัสรู้ของพระพุทธเจ้าตารัสรู้พราะ รู้ว่าวิธีหาความสุขของเรานี้เป็นวิธีที่ผิดต้องหาใหม่หาหาโดยใช้ความสงบเป็นวิธีหาความสุขกันแล้วก็คอยกาจัดความอยากที่จะมาหลอกให้ไปหาความสุขผ่านทางร่างกายด้วยการเห็นความจริงของร่างกายว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นสิ่งที่เราห้ามมันไม่ให้แก่ไม่ให้เจ็บไม่ให้ตายไม่ได้ ถ้าอาศัยมันนะเดี๋ยววันหนึ่งก็จะอาศัยมันไม่ได้พอเห็นด้วยปัญญาต่อไปความอยากจะใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือก็หายไปเลิกไม่มีใครอยากจะไปหาความทุกข์กันพอรู้ว่าการใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขเป็นการไปหาความทุกข์ต่อไปก็เลิกใช้มันพอเลิกใช้ก็ไม่ต้องมีร่างกายอีกต่อไปร่างกายนี้ตายไปก็ไม่ต้อง ไปหาร่างกายอันใหม่ไม่ต้องกลับมาเกิดใหม่พอไม่กลับมาเกิดใหม่ก็ไม่ต้องแก่ไม่ต้องแก่ไม่ต้องเจ็บไม่ต้องตายใหม่ใจก็เป็นใจที่สะอาดบริสุทธิ์ขึ้นมาใจเป็นใจที่ปราศจากความทุกข์เป็นใจที่มีแต่ความสุขตลอดเวลาเพราะตั้งอยู่ในความสงบตลอดเวลานี่แหละคือใจของพระพุทธเจ้าใจของพระอรหันตสาก ใจของพวกเราที่เป็นปุถุชนในตอนนี้สามารถเปลี่ยนให้เป็นใจของพระอรหันตสาวกได้ด้วยการเปลี่ยนวิธีหาความสุขกันเลิกใช้วิธีหาความสุขผ่านทางร่างกายโดยอาศัยการรักษาศีลแปดขึ้นไปเป็นเป็นเครื่องมือถ้าเรารักษาศีลแปดเราก็จะตัดการหาความสุขทางร่างกายไปได้ หลายส่วนด้วยกันตัดการไปหาความสุขจากการร่วมหลับนอนกับแฟนตัดการหาความสุขจากการรับประทานอาหารเครื่องดื่มต่างๆดื่มได้รับประทานได้แต่ให้มันดื่มเพื่อเลี้ยงดูร่างกายให้มันดื่มพอประมาณรับประทานพอประมาณไม่ใช่ดื่มรับประทานทั้งวันทั้งคืนวันแล้วไม่รู้กี่มือ้อกี่ครั้ง เอาวัน ล, ละครั้งเดียวก็พอตัดมันถือศีลแปดก็รับประทานอาหารน้ำจากเที่ยงวันไม่ได้แล้วก็ไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ่นกายไม่ได้ไปดูหนังฟังเพลงไปร้องำํำเต้นำํำเต้นระบ ำ, ำไปดูอะไรดูการเล่นละครต่างๆเล่นระบำต่างๆ ไปบันเทิงต่างๆมาหอระสพต่างๆเลิกหมดเนี่ย <S <S เลิกหาความสุขจากการแตา ง, งกายด้วยเสื้อผ้าสวยๆงามๆสริมสวยด้วยเครื่องสำางด้วยน้ำมันน้ำหอมทำเาเผาทำผมอะไรต่างๆเลิกหาความสุขผ่านทางร่างกายแม้แต่นอนก็ไม่ให้หาความสุขจากการหลับนอนให้นอนพอประมาณนอนเพื่อพักผ่อนร่างกาย พอร่างกายตื่นขึ้นมาแล้วก็ให้ลุกขึ้นมาอย่านอนต่อวิธีที่จะทำให้ไม่นอนต่อก็อย่า น, นอนบนเตียงที่มันสบายฟูกหนาๆให้นอนบนพื้นแข็งๆพอร่างกายได้พักผ่อนแล้วมันตื่นขึ้นมามันก็จะไม่อยากจะนอนต่อเนี่ยเราต้องรักษาศีลแปดกันเป็นวิธีที่เราจะ ห้ามการใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขเพียงแต่ห้ามแต่ยังไม่ได้หยุดมันความอยากใช้ยังมีอยู่ในใจเนี่ยพวกที่มาถือศีลแปดได้สามวันบางทีก็ทนความอยากไม่ไหวก็ขอลากลับบ้านราลากลับไปหาแฟนลากลับไปหาละครหาขนมนมเนยหาเครื่องดืม่มหาอาหารชนิดต่างๆกินทั้งวันทั้งคืน ถ้าไม่เลิกก็ต้องอาศัยร่างกายลต้องอาศัยร่างกายเดี๋ยวร่างกายแก่เจ็บตายก็จะเดือดร้อนเลยเราต้องมาหัดเลิกใช้ร่างกายด้วยการมาถือศีลแปดกันแล้วก็มาหัดนั่งสมาธิทำใจให้สงบในเมื่อเราไม่สามารถหาความสุขผ่านทางร่างกายได้เราก็ต้องหาความสุขผ่านทางสมาธินี่ถ้าไม่มีความสุขทางสมาธิก็ รักษาศีลแปดใบไม่รอดได้สามวันก็ขอกลับบ้านได้สามวันห้าวันบางคนมาบุ่ยก็สิบห้าวันมั่งเดือนหนึ่งมั่งถ้าไม่ได้สมาธิแล้วอยู่ไม่ได้แต่ถ้าได้สมาธิแล้วอยู่ได้แล้วเพราะไม่ต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขสามารถหาความสุขจากสมาธิได้แล้วก็สามารถที่จะปฏิบัติจนสามารถทําให้จิตสอาดบริสุทธิ์ได้ต่อไป กลายเป็นพาาระอรหันตสาวกขึ้นมาแล้วก็มาทำหน้าที่ช่วยคนอื่นต่อไปสอนให้คนอื่นเลิกหาความสุขทางร่างกายให้มาหาความสุขทางจิตใจกันนี่แหละคือเรื่องของจิตใจของพระพุทธเจ้ากับจิตใจของปุถุชนจิตใจของพาาระอรหันต์เป็นจิตใจเหมือนกัน ตอนนี้จิตใจของพวกเราเป็นปุถุชนอยู่แต่ใครจะไปรู้ปีหน้าเดือนหน้าอาจจะกลายเป็นจิตใจของพระอาหารหันต์ขึ้นมาก็ได้ถ้าเราเอาคำสอนของพระพุทธเจ้ามาปฏิบัติมาชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์ด้วยการรักษาสีด้วยการฝึกสมาธิด้วยการใช้ปัญญาคอยกาจัดความอยากต่างๆให้หมดซึ้นไปจากใจ จิตของเราที่เป็นปุถุชนก็จะกลายเป็นจิตของพระอรหันต์ขึ้นมาทันทีนะพวกเราทุกคนตอนนี้มีสิทธิ์ที่จะเป็นพระอรหันต์กันได้อยู่ที่ว่าอยากจะเป็นหรือไม่อยากจะเป็นทนั้นเองถ้าไม่อยากเป็นก็ไม่ได้เป็นต้องอยากเป็นถ้าอยากเป็นก็ต้องเลิกใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขต้องถือศีลแปดขึ้นไปไม่ศีลแปก็ศีลสิบไม่ศีลสิบก็ศีล2องยบเจ็ ไม่สินสองร้อยี่สิบเจ็ดก็สินสามร้อยสิบเอ็ข้อนี่แหละคือวิธีที่จะทําให้เราเลิกใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือแล้วทําให้เราจะได้ไม่ต้องกลับมาเกิดเด็กต่อไปก็คิดว่าวันนี้เรื่องของจิตใจของพระพุทธเจ้าพระอาหารหันต์กับจิตใจปุถุชนที่เอามาฝากท่านในวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พรอ ยะถาวาเลวหาปูราปาิลปุเรนติสาคหลังเอวเมวะอิโตทิน e ังเปตานังอุปกาปติอ an ิทิตังปทิต um ังตุมหังคิปเมวะสมิจโตสภะปุเรนตุสังกปา จันโทปนะราโสยถามณีโชติอราโสยถาสัพิติโยวิวาจันตุสัพพโรโควินาศตุมาเตภวตวันตระลายโสุขีทีคายุโกภวะอภิวาทนศีลิสะนิจจังวุฒาปจายโน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 ถ้าไม่อยากจะถามเองก็เขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาวันนี้ผู้ติดตามทางบ้านมีเท่าไหร่วันนี้ทาง Facebook เข้ามา362ย t u b บ392 i t h ย o ออนไลน์20รับฟังข้างบนนี้51คนรวมทั้งหมด825ครับมีใครอยากจะถามมีข้อความอยู่ข้างหลัง คำถามจากผู้ฝากถามครับพระประเจ ก, กับพุทธเจ้าท่านไม่สอนผู้อื่นหรือท่านไม่สามารถสอนให้ผู้อื่นบรรลุธรรมได้ครับอ๋อท่านสอนได้เพียงแต่ว่าถ้าหอาจจะเห็นว่าไม่มีใครอยากจะเรียนมั้งเหมือนมีครูครูมีครูแต่ไม่มีนักเรียนนักเรียนหนีเที่ยวหมดนักเรียนไปหาราบยศสรรเสริญหารูปเสียงกลิ่นรสกัน ไม่มีใครสนใจที่จะมาบวชกันถ้าอาจจะไปไปตัดสัุอยู่ในแถวพัทยาใต้ไปเปิดโตสอนกรรมฐานก็ไม่มีใครจะมานั่งฟั ง, งมันหรืออาจจะเป็นท่านเป็นใบหรือเปล่าก็มันมีหลายสาเหตุเนี่ยถ้าเกิดท่านเป็นคนใบ่้ท่านก็สอนไม่ได้ไม่มีใครรู้ หรือท่านไม่บายแต่ท่านสอนได้แต่ไม่มีใครสนใจจะเรียนอลองไปสอนที่อเมริกาดูเนะี่ยมีใครอยากจะไปมั้งไม่มีหรอก <c oughs> เพราะฉะนั้นมันอยู่ที่คนเรียนมากกว่าอยู่ที่คนสอนคนสอนพระพุทธเจ้าของเราตอนต้นก็จะเป็นพระประเจ้กับะพุทธเจ้าเหมือนกันเพราะท่านก็มองไปไหนก็เห็นว่ามีแต่คน ชอบหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายกันนะที่จะมาสอนให้มาเลิกนี่มันยากนะแต่ตอนหลังมาคิดอีกทีก็ยังมีบางพวกถึงแม้จะมีจำนวนน้อยก็พวกนักบวชนี่แหละก็มุ่งไปสอนพวกนักบวยก่อนแล้วพอมีนักบวชบรรลุ คนอื่นได้ยินเข้าก็เกิดศรัทธาขึ้นมามันก็เลยคนที่ไม่เป็นนักบวชก็เริ่มสนใจจะบวชกันมาบวชกันเพราะเดี๋ยวนี้รู้แล้วว่าบวชแล้วจะได้อะไรตอนที่เป็นนักบวชสมัยที่ยังไม่มีพระเจ้านี้ยังไม่ได้อะไรได้แค่สมาธิได้แค่ฌานแต่พอรู้ว่าได้หยุดการเวียนว่ายตายเกิดได้ก็มีกําลังใจที่อยากจะบวชกันมากขึ้นก็เลยทําให้มีการ มาบวชกันสนใจมากขึ้นดงั้นการเป็นพระเบเจกะ ก, ก็เพราะว่าอยู่ที่คนในสมัยนั้นจะรับคำสอนได้หรือเปล่าจะชอบจะสนใจยินดีที่จะเรียนหรือเปล่าถ้าไม่ยินดีก็ต่อให้เก่งยังไงก็ไม่มีใครมาเรียนไยงม ไ, ไม่มีใครอยากจะทิ้งความร่ารวยไปไม่มีใครอยากจะทิ้ง บริษัทการค้าการเงินการทองอะไรไปคำถามจากคุณติก๊กเมื่อปีที่แล้วเพื่อนป่วยเป็นมะเร็งระยะที่สามแต่ด้วยยาเคมีที่ให้นั้นถูกกับเพื่อนและช่วงเดือนที่แล้วน้องชายมาเยี่ยมและได้นำเอาบทสวดมนต์เมตตาใหญ่มาให้ได้สวด อาการดีขึ้นครับจากที่ผ่าตัดหน้าท้องสี่ครั้งในหนึ่งเดือนก็ไม่ต้องผ่าอีกมีคนทักมาว่าเจ้ากรรมในเวลเล่นงานเพื่อนจึงได้เป็นเช่นนั้นคำถามคือการที่เราจะแก้กรรมควรทำอย่างไรครับเพราะโยมอ่านหนังสือมาตามสายพระกรรมฐานยังไม่เคยเจอว่าให้ตามแก้กรรมแต่ควรโฟกัสที่ปัจจุบันโยมอยากให้เพื่อนปฏิบัติธรรมในทางที่ถูกครับ คือเรื่องของร่างกายมันมีหลายสาเหตุด้วยกันที่ทําให้มันเป็นเะฉะนั้นส่วนเรื่องการแก้กรรมนี้มันเป็นเรื่องของจิตใจไม่ไม่ได้เรื่องของร่างกายซึ่งกรรมนี้ก็แก้ไม่ได้กรรมนี้ทําแล้วมันก็จะต้องส่งส่งผลไม่ช้าก็เร็วการมาสวมดมนต์นี้เป็นการมาฝึกใจให้นิ่งเฉยให้รับ กับวิบากกรรมของตนมากกว่าคือไม่ทุกข์กับผลของบาปกรรมที่เราทามาที่มากระทบกับร่างกายของเราเช่น mm hmm. เจ็บไข้ได้ป่วยต้องผ่าต้องตัดอะไรอย่างนี้เป็นต้นจะเรียกว่าเป็นผลของวิบากก็ได้หรือจะเรียกว่าเป็นผลของการมาเกิดก็ได้เมื่อมาเกิดมันก็ต้องมีแก่มีเจ็บมีตายตเจ็บมากเจ็บน้อยนี่ ทางกฎแห่งกรรมทางเราทางศาสนากค็คือว่าอยู่ที่กรรมที่ทำทาบาปมากก็มักจะเจ็บมากเจ็บบ่อยกว่าคนที่ทาบาปน้อยันก็เป็นเรื่องของวิบากที่เราไปแก้ไม่ได้มันเราทำไปแล้วต้องรอรับผลนั้ น, น, นวิธีที่จะทำให้เรารับได้อย่างสบายใจก็คือทำใจให้สงบ สวดมนต์ก็เป็นวิธีหนึ่งนี่บางคนคิดว่าสวดมนต์แล้วทำให้อวิบากหายไปอันนี้ก็เป็นความเชื่อเฉยๆบางคนสวดแล้วกลับยากกว่าเดิมก็มีใช่ไหมมันไม่ได้อยู่มันไม่ได้อยู่ที่สวดแล้วไม่สวดนะบางคนสวดแล้วตายเลยถ้าไม่สวดอาจจะไม่ตาย มันก็มองกันหลายแง่หลายมุมบางคนก็มองว่าตายก็ดีจะได้หมดกรรมเร็วขึ้นไม่ต้องทรมานนานถ้าส่วนแล้วอยู่นานเข้าไปก็ยิ่งทรมานนานใหญ่ถ้าส่วนแล้วตายก็ถือว่าอ๋ออันนี้ทําให้แก้กรรมได้มันก็แล้วแต่ความคิดนะแต่มันไม่ใช่มันไ ม, มน่มันไม่ได้เป็นไปตามความคิดหรอกมันเป็นความเป็นจริงมันมีหลายสาเหตุด้วยกัน เราไม่ใช่เป็นผู้วิเศษที่จะมาวิเคราะห์ได้พระพุทธเจ้าบอกเรื่องของกรรมนี้เป็นเ็เรียกอจินไต่เหนือความสามารถของคนที่จะมาคิดได้อย่างละเอียดรอบครอบได้ครบถ้วนบริบูรณ์อาจจะได้บางส่วนบางอะไรเท่านั้นเองแต่ไม่สามารถค้นหาสาเหตุทุกชนิดได้หรอก คำถามจากคุณนก เ, เกิดเป็นเพศหญิงแต่มีใจใฝ่ธรรมะและมีความต้องการที่จะเป็นผู้รู้แจ้งเห็นธรรมตั้งแต่เด็กห้าขวบได้ตั้งจิตถวายสังคารต่อองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าปรารถนาต่อพุทธภูมิอย่างที่สุดลองหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตเจ้าคะ่ะบางข้อมูลบอกว่าเพศหญิงนั้นไม่สามารถปรารถนาต่อพุทธภูมิได้จริงแท้แค่ไหนเจ้าคะ่ะไม่จริงหรอก จิตมันไม่มีเพศนะจิตมันมีแต่กิเลสกับธรรมนะถ้ามีธรรมมากกว่ากิเลสก็เป็นพระพุทธเจ้าได้ถ้ามีกิเลสมากกว่าธรรมก็เป็นปุถุชนไปนะมันไม่ได้อยู่ที่เพศเวลาปฏิบัติกิเลสมันไม่ได้อ้างว่าฉันเป็นหญิงฉันเป็นชายเธอมาฆ่าเราเธอมากำจัดเราไม่ได้ไม่ใช่อย่างนั้นไม่มีนะเรื่องเพศไม่เกี่ยว เรื่องของจิตนี่เป็นเรื่องของกิเลสกับธรรมถ้ามีธรรมก็เป็นพระพุทธเจ้าได้เป็นพระอาหารหันต์ได้ถ้ามีกิเลสก็เป็นปุตุชนไปคำถามจากทางอินบ็อกซ์ครับผมมีปัญหาติดขัดในการภาวนาตอนนี้จิตผมจดจ่ออยู่กับลมหายใจเข้าออกอยู่ตลอดเวลาพอทาวัดเสร็จ ก็นั่งภาวนาในทุกๆวันจดจ่อที่ลมเข้าลมออกเหมือนลมหายใจจะหายหรือไม่ได้หายใจผมควรทำอย่างไรต่อไปดีครับก็รู้เฉยๆให้รู้ว่าตอนนี้ลมหายไปหรือลมเบาจนไม่สามารถจับได้ก็คอยดูจิตอย่าให้คิดปรุงแต่งให้รู้เฉยๆไปสักนึนเดีวเดี๋ยวก็จะเกิดความสงบขึ้นมาตามมาต่อไปถ้าไม่ไปคิดปรุงแต่ง ถามจากคุณสิทธิชัยผมพยายามรักษาศินห้าให้บริสุทธิ์และเข้าใจว่าการที่สินจะขาดหรือไม่ให้ดูที่เจตนาพอเวลาเข้าห้องน้ําพบว่ามีแมลงอยู่ในโถั่ววมถ้าเราต้องรดน้ําและแมลงต้องจมลงไปโดยที่ไม่ได้เจตนาตั้งใจทําร้ายแมลงแบบนี้ถือว่าสินขาดไหมครับก็ทํามไมไม่จับมันออกมาแนละ้ว เมื่อเห็นตัวมแมลงจับมันออกมาจากโถได้ก็จับมันออกมาก่อนแล้วค่อยอแล้วค่อยรดน้ําเข้าไปาถ้ารู้ว่ามันอยู่ตรง น, นั้นแล้วเรายัางไปอไปเทน้ําให้มันเออ่ตายมันก็ก็เท่ากับฆ่ามันเนี่ยเราก็รู้ก็ฉี่แล้วก็เดินทิ้งไปก็ได้ปล่อยคนอื่น <c oughs> <c oughs> คนอื่นที่เขาไม่สนใจ <c oughs> เขาก็เขาจะลดน้ําเ <c oughs> ขาจะอะไรก็เรื่องของเขา รือถ้าเราเมตตาจริงๆแล้วก็จับมันออกมาก่อนสิ yeah. Yeah. ไม่เป็นไรเหรอมือสกปรกเดี๋ยวก็ล้างได้ <Yeah. S 2> ดีกว่าใจสปกปรกใจสปกปรกนี่ล้างยากกว่า <Yeah. S 3> คำถามจากผู้ฝากถามการรักษาศีลห้าให้บริสุทธิ์ในขณะที่ยังทำงานในการดารงชีวิดำรงชีพอยู่นี้แทบจะทำได้ยากมากมีวิธีทำอย่างไรครับ ก็อย่าทำงานนี่หรือทำงานแบบที่มันรักษาได้ทำงานส่วนตัวขายลอตเตอรี่ขายประกันอะไรไปหรือเป็นไกด์ไกด์นี่รักษาสิหนห้าได้หรือเปล่าหนือไม่ได้เหมือนกันมีค่าน้ำชาค่าคำถามจากคุณฟ้าสินแปดสามารถบรรลุพระอรหันต์ได้ไหมครับ รอศีลอย่างเดียวไม่ได้หรอกแต่ต้องมีศีลช่วยผลานให้จิตไปปฏิบัติธรรมไปหาความสุขทางสมาธิการถือศีล น, นี่เป็นการบังคับให้เปลี่ยนวิธีหาความสุขจากการหาความสุขทางร่างกายให้ไปหาความสุขทางใจทางสมาธิแล้วพอมีความสุขทางสมาธิแล้วก็สามารถตัดกิเลสตัดความอยากได้คาถามจากคุณเบญญา การบวชชีถือว่าเป็นผู้ขอเหมือนพระภิกษุหรือไม่ครับถือว่าเป็นอุบาสิกายังไม่ได้ถือว่าเป็นภิกษุณีเพราะภิกษุณีนี้สิ้นหมดไปแล้วคือหมดไม่มีการสืบทอดมามันก็เลยขาดตอนไปพอไม่มีภิกษุณีก็จะไปบวชก็บวชไม่ได้เพราะต้องมีภิกษุณีเป็นผู้บวชให้ นันก็เลยต้องบวชเป็นอุบาสิกาไปนี่จะเถอะว่าเป็นผู้ขอไม่ขอมันก็ไม่สำมันก็มันก็อยู่ที่เราคิดแหละเราก็ถ้าเราอยากจะอยู่แบบผู้ข อ, อก็ได้บางวัดเขาก็ให้แม่ชีไปบิณฑบาตได้หรือไม่บิณฑบาตก็ให้แม่ชีช่วยทํางานวัดแล้วก็แบ่งอาหารที่ได้มาจากบิณฑบาตไปมันก็เป็นเหมือนผู้ขอนะไรนีแต่ไม่มีฐานะแบบพระ แบบพระภิกษุพระภิกษุนี่ท่านเป็นค้าๆว่ามันมีการสืบทอดมาตั้งแต่สมัยพุท ธ, ธกาลประเพณีของพระภิกษุนี่คำถามจากคุณนิยาคำถามแรกถ้าให้พ่อแม่ซักเสื้อผ้าที่เราใส่ให้จะเป็นบาปไหมเจ้าคะบางครั้งไม่ได้สั่งหรือขอให้ซักให้แต่พ่อแม่นำเอาไปซักเองก็ตอนเราเป็นเด็กเขาก็ซักให้เราตลอดเวลาไม่ได้ ตอนนี่เราเป็นทาลกอาบน้ําอาบท่าเองไม่ได้ซักเสื้อผ้าเองไม่ได้ท่านก็เมตตาถ้าท่านเห็นว่าเรายุ่งไม่มีเวลาซักเสื้อผ้าท่านอยากจะช่วยเราก็ได้แต่ถ้าเป็นไปได้ก็ควรจะขอร้องท่านว่าอย่าทําก็ได้เดี๋ยวทําเองดีกว่าให้แม่พักผ่อนให้แม่เหน็ดเหนื่อยเมือ่อยล้ามานานแล้วอย่ามาต้องมาเหน็ดเหนื่อยเมือ่อยล้ากับกับ เราเลยเพราะเราโตแล้วเราเลี้ยงดูตัวเราเองได้แต่ถ้าเป็นความยินยันเป็นความเมตตาของท่านห้ามท่านไม่ได้ก็ปล่อยท่านทำไปคำถามที่สองสังคมโลกนี้จะเสื่อมลงไปเรื่อยๆใช่ไหมเจ้าคะ่ะก็ขึ้นอยู่กับความเจริญทางวัตถุถ้าทางทางวัตถุเจริญมากขึ้นใจก็จะเสื่อมลงไป เพราะความโลภความอยากได้วัตถุมันจะมีเพิ่มมากขึ้นเพราะมันหาได้ง่ายขึ้นมันก็เลยทำให้มีความอยากได้พออยากได้วัตถุมันก็เลยแข่งแย่งชิงดีกันทำผิดศีลผิดธรรมกันมันก็เลยทำให้จิตใจเสื่อมลงถ้าไม่มีวัตถุให้มาแข่งแย่งคนก็จะมีศีลมีธรรมนง่ายขึ้นพราไม่ต้องแข่งแย่งกันสมัยที่ยุ ยุคชาวนาชาวไร่ชาวปู่ย่าตายายเราไม่ค่อยไม่ค่อยไม่ค่อยต้องแก่งแย่งชิงดีกันเอก็ทํามากินพอเลี้ยงปากเลี้ยงท้องได้ก็พอเลยมีจิตใจที่เมตตากรุณาต่อกันมากกว่ากสังคมในปัจจุบันสังคมปัจจุบันแม้แต่อยู่ตึกเดียวกันยังไม่รู้จักกันเลยยังไม่มีการที่จะทําความรู้จักสนใจ ให้แผ่เมตตาให้ต่อกันเลยมัวแต่ที่จะหาความสุขใส่ตัวเองเพียงอย่างเดียวคำถามที่สามเพื่อนๆชอบพูดว่าคนนั้นหล่อคนนี้หล่อแต่เราพยายามไม่คิดแบบนั้นเราควรจะพิจารณาอสุภะหรือความไม่เที่ยงอันนี้ถูกต้องไหมเจ้าค่ะก็แล้วแต่ว่าเราต้องการอะไร ถ้าเราต้องการเลิกเศษกรรมเราก็ต้องมองว่าเขาไม่สวยไม่งามแต่ถ้าเรายังต้องการเศษกรรมอยู่เราก็ต้องมองว่าเขาสวยเขางามมันถึงจะเกิดกราร ม, มารวมขึ้นมาได้คำถามจากคุณจินคอฟโมหะคือหลงว่าสมมุติต่างๆว่าเป็นสุขใช่ไหมครับคือเห็นเห็นสิ่งที่มันไม่เป็นตรงกับความเป็นจริงเห็นสิ่งที่ทุกว่าเป็นสุข เห็นสิ่งที่ไม่เที่ยงว่าเที่ยงเห็นสิ่งที่ไม่ใช่ตัวเราของเราว่าเป็นตัวเราของเรา<ม>เรียกว่าโมหะคำถามจากผู้ไม่ประสองค์ออกนามพ่อแม่ซื้อปลาเป็นมาค่าเพื่อทำให้ลูกๆทุกคนทานแต่ผมไม่เห็นการฆ่าและไม่ยินดีในการฆ่าถ้าผมกินจะเป็นบาปไหมครับพะรู้ว่าปลาที่ตายทำเพื่อลูกๆครับไม่บาปหรอก เป็นเรื่องของพ่อแม่ที่จะต้องเลี้ยงดูลูกไปลูกมีหน้าที่กินก็กินไปอย่าไปทำเองก็แล้วกันอย่าไปทำตามพ่อแม่ก็แลพอโตขึ้นก็พอมีลูกก็ไปทำแบบพ่อแม่มาเลี้ยงลูกเลยก็อย่าทำาท่นั้นเองคนที่กินของตายแล้วไม่ไมบาปอะเงินผ้าก็บาปเลยญาติโยมก็เอาของเป็นมาทำให้ตายแล้วก็ใส่บาตกัน คำถามจากคุณอรุณการทําบุญกับพระอาหารหันต์หนึ่งครั้งเท่ากับทําบุญกับพระทั่วไปร้อยครั้งหรือไม่ครับไม่รู้เหมือนกันถามอย่างนี้ไม่รู้จะจะตอบยังไงดีคําถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามคุณพ่อไม่ค่อยทําบุญตักบาตแต่นั่งสมาธิอ่านหนังสือธรรมะทําแค่นี้ได้ไหมครับ อ่านหนังสือธรรมะนั่งสมาธิไม่ทำบุญตักบาทก็ไม่ได้บุญที่เกิดจากการทำบุญตักบาทแต่ได้บุญจากการอ่านหนังสือธรรมะได้บุญจากการนั่งสมาธิยังก็เหมือนกับซื้อของนะเอาเงินไปซื้อซื้อเสื้อผ้าแต่ไม่ซื้อรองเท้ามันก็ไม่ได้รองเท้าได้แต่เสื้อผ้าถ้าอยากจะได้รองเท้าด้วยก็ต้องซื้อซื้อรองเท้าด้วย การํำบุญํำทานมันทำให้ร่ำให้รวยให้มีให้มีทรัพย์มีสมบัติถ้ายังกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ในข่าวหน้าถ้าไม่ได้ทำบุญก็กลับมาเป็นคนธรรมดาหรือยากจนเพราะว่าไม่ได้ทำบุญจะสมเงินไว้คำถามจากคุณสุบินลูกทำบุญให้ทานใส่บาททุกวันแต่นั่งสมาธิไม่ต่อเนื่อง แต่ฟังธรรมะบนเขาทุกวันจิตสงบคล้อยตามคําสอนพอถึงเวลาที่ตายจิตจะพ้นจากทุก์ได้ไหมครับก็ต้องดูเอาถึงเวลานั้นก็ต้องดูเอาจะมาบอกเนีตอนนี้ก็ไม่ได้เพราะถึงเวลาจะตายมันไม่รู้เมื่อไหร่แล้วอะไรจะเปลี่ยนไปอีกเมื่อไหร่ก็มไม่รู้เหมือนกันยั้นก็เรื่องอนาคตอย่าไปสนใจมันขอให้เราดูปัจจุบันก็นแล้วกัน พยายามทำจิตใจของเราในปัจจุบันให้ไม่ให้ทุกข์ถ้าเรายังกังวลว่าเวลาตายเราจะทุกข์หรือไม่เราก็ทดสอบได้เช่นไปอยู่ที่มันน่ากลัวดูดูที่มันท้าทายต่อความเป็นความตายดูดูว่าเราจะทุกข์หรือไม่ทุกข์หรือนั่งให้มันนานให้มันเจ็ บ, ใ ห, จบให้มันปวดไปทั่วร่างกายเหมือนกับเวลาเป็นไข้เป็นโรคภัยไข้เจ็บเราดูซิว่าเราทุกข์กับความเจ็บปวดของร่างกายหรือไม่ อันนี้แหละถึงจะรู้แน่ว่าถ้าเวลาเราตายหรือเวลาเราเจ็บไข้ได้ป่วยเราจะทุกข์หรือไม่เราสามารถพิสูจน์ได้ในตอนนี้ถ้าอยากจะรู้ว่าเวลาจะตายเป็นยังไงก็ลองไปอยู่ที่มันน่ากลัวดูเนะี่ยที่ไหนที่มีที่ทําให้เรารู้สึกว่าอาจจะตายได้เ้วดูเสว่าใจเราเป็นยังไงคําถามจากคุณรัชพล อาการที่ตึงๆที่ใบหน้าเวลาที่ไม่ได้นั่งสมาธิแต่ทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่เช่นอน่านหนังสือฟังธรรมเป็นต้นแต่พอลองหยุดทำสิ่งเหล่านั้นหลับตาเข้าสมาธิดูก็เหมือนจะเข้าสมาธิได้เร็วอยากถามพระอาจารย์ว่าอาการตึงๆดังกล่าวคือสติใช่หรือไม่ครับไม่ใช่หรอกมันเป็นอาการของร่างกายมัเมนเป็นอนี้อย่างเป็นสภาวะธรรมอย่างหนึ่ง ที่อาจจะเกิดจากสาเหตุอะไรก็ไม่รู้แหละก็ให้รู้ว่ามันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไปก็แล้วกันรู้ว่ามันเกิดแล้วเดี๋ยวมันก็ดับเราอย่าไปยุ่งกับมันอย่าไปทุกข์กับมันอย่าอย่าไปอยากให้มันหายเวลามันเป็นหรือว่ามันเวลามันหายอย่าไปอยากให้มันกลับมาปล่อยมันไปตามเรื่องของมันหมดแล้วเลยบางทีเรื่องที่ไม่ต้องไปรู้อย่าไปรู้ดีกว่า รู้ไอ้เรื่องที่เราควรจะรู้ดีกว่าตอนนี้เราทุกข์หรือไม่ถ้าเราทุกข์เราทุกข์เกิดจากอะไรพระพุทธเจ้าบอกจะเกิดจากความโลภความอยากเกิดจากความโกรธถ้าอยากจะ ห, หายทุกข์ก็หยุดความโลภหยุดความอยากหยุดความโกรธวิธีจะหยุดก็ใช้สติใช้สมาธิหรือใช้ปัญญาไปแก้ไป ชูให้รู้เรื่องราวเหล่านี้ดีกว่ามันตรงประเด็นกว่าไม่รู้ว่าคนนั้นเป็นลูกของใครมีแฟนกี่คนมีลูกกี่คนไม่รู้มันทำไมมันก็ไม่ใช่เรื่องของเรารู้มันก็ไม่ได้มาแก้ปัญหาของเราปัญหาของเราคือความทุกข์ใจคอยดูแต่ตัวนี้ตัวเดียวนั้นเวลามันทุกข์ทำยังไงให้มันดับให้ได้เท่านั้นพอแล้วรู้แค่นี้พอ คำถามจากผู้ไม่ประสองค์ออกนามการสร้างบารมีคนที่มีความคิดว่าการบอกบุญต่างๆเป็นการสร้างบารมีให้กับตัวเองสร้างปริวารให้กับตัวเองการคิดเช่นนี้เป็นความคิดที่ถูกต้องหรือไม่ครับไม่ถูกหรอกไปชวนคนบ่อยๆคนเขาก็เบื่อมีแต่วิ่งหนีเราการที่จะทำให้คนเขา ติดตามแล้วเราต้องทําความดีให้เขาเห็นอแล้วเขาก็อยากจะร่วมทํากับเราเขาว่าจะติดตามเราเอไม่ใช่ไปคอยชว่วยนคนนั้นคนนี้มาทําบุญชวนบ่อยๆเขาเบื่อขี้หน้าคําถามจากคุณทอมคนมีหนี้สามารถปฏิบัติธรรมได้ไหมครับได้มันไม่ เ, เกี่ยวกอะไรมีหนี้ก็เรื่องของหนี้ก็ใช้มันไปเอก็ ขอให้มีเวลาปฏิบัติเานะนอกจากปีนี้แล้วต้องไปใช้หนี้มันก็ไม่มีเวลาปฏิบัติมันก็ปฏิบัติไม่ได้ mm hmm. หมดแล้วนะโอเคมีใครอยากจะถามอีกไหมไม่มีก็คิดว่าพอสมควรสำหรับวันจันทร์เบาๆอย่างวันนี้ <c oughs> ว่าวันเสาร์อาทิตย์ก็มากันเยอะฟังกันมากวันนี้ก็เลยอาจจ ะ, ะเบาลงก็ คิดว่าพอหอมปากหอมคอขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังไปพิณิพิพจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเาธุ